ขอ oh, ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายประสูตร์ที่จะได้นำมากล่าวในวันนี้ในชื่อว่ามธทุรสูตรคือประสูทร์ที่ว่าด้วยคำถามของพระเจ้ามัทุราชธรรนตีบุตรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังพุทธปริพานธมีใจความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งพระมหากัจจายนะเทระ ไปเที่ยวจาริกไปในวันตีชุดนบุตรแล้วไปพักอยู่ในอุทยานแห่งหนึ่งพระเจ้ามัทุราชาวันตีบุตรได้ทราบเกียรติคุณของพระเทระว่าพระเทระเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีความฉลาดรอบรู้ในธรรมทั้งหลายเป็นต้น ก็เกิดมีความคิดขึ้นมาว่าการได้พบเห็นสนทนากับพระที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ก็เป็นการดีแล้วก็ไปพบพระมาะกระจายนณะถึงที่จูหลังจากผ่านการสนทนากันไประยะหนึ่งพระเจ้ามทุรารวันตีบุตรก็กลับเรียนถามว่า การที่พวกพราหมณ์เขากล่าวยกจ้องพวกของตนเองว่าเป็นวันณะขาวคนพวกอื่นเป็นพวกดำเขาเป็นผู้ประเสริฐคนเราอื่นเป็นพวกต่ำเขาเกิดจากโอดของพระพรหมเป็นผู้ที่พรหมบันดาลขึ้นมาเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้นเป็นวันณะที่บริสุทธิ์เป็นพวกที่บริสุทธิ์ ส่วนวันนัอื่นไม่เป็นพวกไม่บริสุทธิ์ท่านมีความเห็นต่อการโฆษณาของพวกพราหมณ์เหล่านี้ว่าอย่างไงบ้างพระเทรสได้ตวาระพรในทราบ่าก็เป็นการพูดการโฆษณาไปโดยไม่มีเหตุผลอะไร เพื่อให้พระเจ้ามัธุราตวันจีบุตรได้เกิดความเข้าใจพระเทราก็ตั้งปัญหาให้คิดห้าข้อด้วยกันข้อแรกก็คือว่าวันณะใดก็ตามคือจะเป็นกรรษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตก็ตามที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยพวกวันณะเดียวกัน หรือวันณะเหล่าอื่นพร้อมที่จะเข้าเป็นพวกเป็นคนรับใช้เป็นลูกน้องของวนะันณะนั้นหรือไม่พระเจ้าธุราชวันตีบูตรก็กราบก็เดี๋ยนถวายว่าย่อมเป็นเช่นนั้นประการที่สองวนันณะใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติละเมิดประพฤติปฏิบัติในอกุศลกรรมบท10ประการ ในการค่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นนั้นวัน น, นั้นเวลาตายไปแล้วจะบังเกิดในนรกเสมอเหมือนกันไหมกันหรือไม่พระเจ้ามัทราดวันตีบุตรก็เรียนถวายว่าข้อนี้พระเจ้าได้ยินได้ฟังมาจากคำของพระหันว่าเป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็ตั้งคำถามข้อที่สามว่า บุคคลใดก็ตามก็อยู่ในวันนัใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักของกุศลและธรรมกุศลกรรมบททั้งสิบประการในการงดเว้นจากการข่าสัตว์เว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เป็นต้นเวลาตายไปแล้วจะไปบังเกิดในสุคติเสมอเหมือนกันหรือไม่ พระเจ้ามทธรัตวันตีบุตรก็เรียนถวายว่าเป็นเช่นนั้นคือได้ยินถ้อยคําได้ยินมาจากปากพระอาารทั้งหลายว่าเป็นเช่นนั้นในข้อที่สี่ท่านถามว่าบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในบรรดาใดก็ตามที่ประพฤติทุจริตผิดกฎหมายบทบัญญัติของบ้านเมืองที่เด็ดจะเอาไว้บุคคลเหล่านั้นจะได้รับโทษเสมอเหมือนกันหรือไม่ พระเจ้าอมมาทุราตวันตีบุตรในฐานะที่เป็นพระราชาผู้ใช้อำนาจรัฐเองท่านก็บอกว่าต้องเป็นเช่นนั้นไม่ได้ยกเว้นว่าจะเป็นวันนาไหนถ้าผิดก็คือผิดด้วยกันในข้อสุดท้ายท่านก็ตั้งคำถามว่าบุคคลในวันนาใดก็ตามตากว่าออกบวชปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยอาจารับเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของบุคคลทั้งหลายบุคคลนั้นควรแก่การได้รับความเคารพนับถืออุปการะช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือไม่พระเจ้ามัทุราชวันติบุตรก็บอกว่าเป็นเช่นนั้นหลังจากได้ฟังข้อเสนอแนะให้คิด ให้ท่านตอบเราเองห้าข้อทำให้พระเจ้ามัทราชระวันติบุตรเกิดความศรัทธาเลื่อมใสที่พระเทราสามารถกระจัดข้อข้องใจของท่านออกไปได้ด้วยคำถามก็เสนอให้คิดที่สามารถพิสูจน์ได้เช่นนั้นก็สรรเสริญธรรมเทศนาของพระเทราว่าแสดงได้ดีได้เกิน เมื่อหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีพในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาได้เห็นสิ่งซึ่งปรากฏในที่มืดและเพื่อแสดงถึงความศรัทธาเลื่อมใสพระท่านศรัทธาเลื่อมใสจริงๆก็ประกาศตนถึงพระเทระว่าเป็นที่พึ่งจรดลึกพระเทระก็ท้วงว่าอย่าถึงอัตมาภาพเป็นที่พึ่งจรดลึกเลย วตมาเองก็เป็นลุกศิษย์ของพระพุทธเจ้าตมาเองก็ถึงพระพุทธเจ้าเป็นไซนาธีพึ่งสิอดึกก็ขอให้มหาภพิตรแต่จะถึงก็ให้ถึงพระพุทธเจ้าเถิดพระเจ้ามัุราชอวันจีบุตรก็เรียนถวายว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนท่านจะไปเฝ้าจะประกาศตนจะยืนยันถึงความศรัทธาเรื่องสายที่มีต่อพระพุทธเจ้าพระหมหากระเจาณเถระบอกว่า เรื่ น, นี้พระพุทธเจ้านิพพานไปไแล้วท่านก็แสดงถึงเจตจำนงอันแน่วแน่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายโอกาสของท่านนั้นไม่ดีที่เมื่อได้ทราบหลักธรรมะในขณะที่พระพุทธเจ้าเป็นนิพพานานานไปแล้วดังนั้นก็ขอถึงพระพุทธเจ้าแม้ประนิพพานานานแล้ว พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสนะที่พึ่งชีวึกตลอดชีวิตขอให้ท่านพระมหากัเจนะได้โปรดจําท่านไว้ว่าเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสนะที่พึ่งจีวึกตลอดชีวิตนี้ก็เป็นข้อความโดยสรุปในพระสูตร ่ประเด็นที่ควรแกการทำความเข้าใจศึกษาก็มีอยู่หลา ย, ลายตอนด้วยกันตอนแรกก็คือพระเจ้ารพระมหากาจยายนธีระท่านรูปนี้ก็คือพระสังกัจจ่ายที่เรารู้จักกันโดยทั่ ว, วไปประวัติเดิมก็ท่านนั้นเป็นบุตรปวดพรามปุโรหิตในกรุงอุชเชนีในอวันตีชนบท เมื่อพระพุทธเจ้าศัตรูใหม่ใหม่พระเกียรติคุณกำลังแพร่กระจายไปในส่วนต่างๆของชมพปูทวิบแต่ก็ยังไม่ค่อยมีคนได้พบเห็นพระองหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระประยุรย่ตแล้วก็ย้อนกลับไปประทรับที่กรุงราชสุ์ พระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงราชครุนั้นเป็นพระสหายกับพระเจ้าจันทประโชดในกรุงอุชเชนีพระเจ้าจันทประโชดก็เห็นเป็นโอกาสดีจะทราบเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าก็ขอให้กัจจายนะซึ่งในขณะนั้นเป็นปุโรหิตการที่ท่านชื่อว่ากัจานะกจายนะกัจจายนะหรือกัญจานะก็แปลว่าทอง คือมีผิวพรรณเปล่งปลางสวยงามรู ป, ปร่างงามสง่า ม, มากก็เลยได้ชื่ออย่างนั้นแต่ท่านกระจายนะปุโรหิตคือแทนที่จะรับปฏิบัติงานธรรมดาธรรมดาท่านบอกว่าถ้าจะให้ท่านไปท่านขออนุญาตบวช ด, ด้วยบวชในพุทธสำนักด้วยให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรทีนะฮะ ยังไม่รู้ว่าพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าสะรู้จริงหรือเปล่าอะไรจริงรเปล่าแต่ว่าความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นเพียงได้ยินเท่านั้นเองอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องท่านอนาตาบินิกาเศรษฐีว่าได้ยินคาว่าบุโฑโลเกอุปโนพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกเท่านั้นเองจิตใจของท่านเลื่อมใสไปเลยยอมรับไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากหรือแม้แต่พระมหากรสปะ ที่เคยเาความว่าบวชอุทิศพ ร, ระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาต้อนรับประทับอยู่ที่ต้นไทรชื่อพระบุตรนิโครธพระมหากัสบะเองก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงรู้จักโดยประยานนะแต่พอท่านเห็นปั๊บท่านท่านก็เข้าไปถึงก็ เ, เชื่อมั่นเลยว่าท่านผู้นี้คือพระอรหันตสมาสัมพุทธะที่ท่านบวชอุทิศ ธนนาทบินทิกะได้ยินเสียงได้ยินได้ยินข่าวไม่ใช่ได้ยินเสียงพระหาระัพได้เห็นรูปแต่ยังก็ไม่ได้ฟังอะไรเลยเลยเชื่อแล้วเพราะฉะนั้นบหากระจายยนาะนั้นได้ยินข่าวแต่ข่าวไกลหน่อยแต่นั้นเองท่านก็ปรงใจเชื่อตัดสินใจบวชในพุทธสํานักพร้อมด้วยคนติดตามอีกเจ็ดคนพระเจ้าจันทบุตรก็ยอม เมื่อมาถึงท่านมากราบทูลเอาฝ้าพระพุทธเจ้าความพระธรรมเทศนาบรรลุมรรคผลแล้วก็ขอบวชพรบวชก็ถึงการเวลาพอสมควรท้าก็กราบทูลาราตนาพระพุทธเจ้าตามคําราตนาของพระเจ้าจันทปัตโชดคือทูลเสด็จทูลเชิญเสด็จแฝนอวันตีชนบุต โดยการพันนาถึงความเป็นอยู่ในแคว้นนวันตีความสะดวกสบายใดๆความสวยงามทิวทัศน์กว่าท่านบาปไปพัณ น, นาใล้ๆกับพระกาลุทธายีพันนาขนทาง60โยชน์เมื่อทูลเชิญสเสด็จพระพุทธเจ้าสู่กรุงกบิลพัทแต่เป็นเรื่องน่าแปลกนะฮะคือเราตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก็จากการศึกษาติดตามอาหลักฐาน พระพุทธเจ้าไม่เสด็จออก อ, ออกในปัจจันชนบทคืออยู่บริเวณมัชิมชนบทลงมาข้างล่างตอนใต้ก็อยู่แถบแม่น้ำโคทาวารีคือไม่ถึงแม่น้ำโคทาวารีทีเดียวแต่ว่าเหนือแม่น้ำโคทาวารีไปหน่อยทางเหนือก็ไม่ขึ้นไปถึงแคชเมียร์หรือกัสมีระในสมัยมนั้นแต่ก็อยู่แถแวแควนคุรุ คันธาระแค่แต่นั้นดังนั้นออพระองค์จึงขอให้พระหมหากัจจานะพร้อมด้วยบริวารไปเองโดยทรงให้เหตุผลว่าเธอเป็นที่สนิทสนุนคุ้นเคยกับพระราชาเป็นที่เคารพนับถือของพระราชาอยู่แล้วเมื่อเธอไปพระราชาก็จะเกิดสัทธาเลื่อมใสพระเทระกก็รับภาระ เผยแผ่ศาสนาในด้านนั้นคือด้านอาวันตีชุนบุทเมื่อไปถึงแสดงธรรมให้พระเจ้าจันณปชดเกิดความศรัทธาเลื่อมใสพรท่ส า, สานก็อยู่ทำงานในบริเวณนั้นนานๆที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสักระยะหนึ่งเป็นประเทะที่มีผลงานมากเศศสนาวาการอะไรใครรั แล้วที่สำคัญคือจุดเด่นของท่านก็คือพระพุทธเจ้ารับสั่งอะไรสั้นๆเช่นคำว่าพัฒเดกรัตโตะแปลว่าแม้มีชีวิตอยู่เพียงราศีเดียวท่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้เจริญแล้วแต่ว่าอยู่ยังไงก็ไม่รู้พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะเชิดชูพระมหากายนะก็จะพูดปัจจุบันว่าเป็นหลวงพ่อวันนอกคือนานๆจะเข้าเมืองหลวงทีหนึ่งพระพุทธเจ้าต้องการจะเชิดชูท่าน รับสั่งขนาดนั้นแล้วก็เสด็จเข้าที่ประทับพระทั้นก็งงกันหมายความว่ายังไงก็ถามพ ร, ระยยรมหาการจานั้พระมหาการจายยนั้นขยายออกไปโดยพิสดารเลยแต่ให้เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะครว่าพระอราหันต์ทั้งหลายนั่นนะไม่ว่าจะเป็นรูปใดก็ตามนะฮะเวลาท่านจะตอบปัญหาตอบอะไรก็ตาม ตั้งทั้งที่ท่านก็เป็นพระอรหันต์มันก็ถูกอยู่แล้วแต่ท่านจะมอบหมายให้พระเหล่านั้นไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าที่ตอบอย่างนี้ถูกไหมพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์อย่างไงก็ให้จำทรงไว้อย่างนั้นแต่ก็ไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไปพยากรณ์ซ้ำคือไปตอบคำถามซ้ำรับสั่งว่าที่พูดไปนั้นถูกต้องแล้ว แม้เราจะพูดเราจะตอบเราก็ตอบอย่างนั้นเหมือนกันนี่คือหลักที่ควรสังเกตเอาไว้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายแม้ท่านจะเป็นพระอระหันต์อย่างพระสารีบุตรที่มีปัญญาสูงสุดแต่จะตอบปัญหาอะไรเวลาใครไปถามท่านก็ตอบแล้วบอกให้ไปถามพระพุทธเจ้าอีกทีเพื่อเชิดชูยกย่องพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้มีที่รวมศูนย์เอาไว้ คือไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทางําต่า ง, างสแสดงอะไรไปในปัจจุบันนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีแต่ก็มีหลักพระธรรมวินยัยจะอยู่ในพระจารยวิโกเพราะนั่นองการสแสดงอะไรก็ตามก็ต้องยุติเทียบเคียงได้กับพระจารยวิโกเพราะเป็นปุพพเจริยาคือการประพฤติธปฏิบัติของอุรพาจารย์สมัยก่อนตั้งแต่พระอรหันต์เป็นต้นมาท่านประพฤติปฏิบัติทังท่านอย่างนั้น แต่อาศัยที่ความมีรูปงามสง่าของท่านเนี่ยงามมากนะก็ะน่าจะกระเดียดไปทางผู้หญิงอะไรได้ทำไปเพราะมีเรื่องบางเรื่องมีโสระย้เศรษฐีบุตรไปพบเห็นท่านก็เกิดนึกขึ้นมาว่าแม้เราถ้ามีพัญญาสวยอย่างนี้ก็ดีคิดนะฮะคิดเฉยๆแล้วร่างแกเปลี่ยนเป็นผู้หญิงไปเลย พอมองดูตัวเองเป็นผู้หญิงก็ตกใจแล้วเกิดความละอายก็หนีไปอยู่เมืองตักกิลาไปได้เป็นพันยาของเศรษฐีมีลูกสองคนแต่ เ, เรื่องแปลกก็มีคนเดียวนะฮะมีคนเดียวเท่านั้นเองอันนี้เป็นเป็นกรรมโยนินะฮะเป็นกรรมปฏิสรโนคือไม่ใช่ผ่าตัดสัญยกรรมอย่างในปัจจุบันเดี๋ยวไปสงสัยทางวิชชาแพทย์อีกเอ่อ แล้วในที่สุดพระมหากจรยนเข้าไปในเมืองนั้นพอดีเพื่อนของท่านไปในเมืองนั้นด้วยนัานก็เห็นข้าวแล้วก็แสดงตัวออกมาเพื่อนก็บอกเอา้าต้องไปขอขามาพระเถระเสร็จ แ, แล้วก็จุงมือไปขอขามาพระเถระท่านก็ให้อภัยนะฮะเพชก็กลับอีกกลับเป็นผู้ชายนะั้นแหะท่านพู้นี้ก็มี ลูกในสมัยที่ตัวเองเป็นผู้ชายสองคนในสมัยที่ตัวเองเป็นผู้หญิงอสองคนต่เกิดความสลดใจขึ้นมาก็าเกิดมาชาติหนึ่งก็เป็นผู้หญิงก็มีเป็นผู้ชายก็มีก็เลยบวชได้เลยบวชตอนเป็นผู้ชายนะในที่นี้เมื่อบวชแล้วก็มีคนไปสอบถามท่านะ ว่าท่านรักรักลูกที่ท่านเป็นพ่อมากกว่าหรือรักลูกที่ท่านเป็นแม่มากกว่าตอนบวชใหม่ๆนะท่านก็ตอบว่ารักลูกที่ท่านเป็นแม่มากกว่าแต่พอท่านบรรลุอรหัตท่านบอกว่าท่านไม่รักลูกไหนลูกนันี่ก็คือแสดงให้เห็นได้สองชั้นนะฮะคือชั้นโลกโลกแม่มีความผูกพันยือใหญ่ต่อลูกมากกว่าพ่อ เร่องอาจจะไม่ทั่วไปก็ได้แต่ว่าเปอร์เซนต์ก็คงจะสูงมากทีนี้จากอันเนี้ยพระมหากา จ, จยนานะคือคนเป็นหลงลว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งในเจ้าคิดพีเรนพิเรนอย่างเงี้ยอย่า ง, างหลายเรื่องฮะแล้วในที่สุดท่านก็อธิษฐานตัวเองให้เป็นพระรูปร่างอ้วนใหญ่ท้องพลุยใหญ่โตเลยคือคือคือตัดปัญหาอย่าให้คนเป็นบาปกะท่านเพราะฉะนั้นภาพท่านจึง กลายเป็นพระเถระที่ที่ท้องลู้ใหญ่นะอุ้มท้องก็มีหน้าที่ต่างๆที่เรียกภาษาสังกัจายเป็นพระมหาเถระรุ่นต้นพุทธสมัยก่อนพวกพระอนุรุธพระอนนท์ที่ปุบาลีที่ทาหน้าที่สังญยากันแต่ว่าหลังพระมหากาจปะเป็นที่น่าสังเกตว่าท่านมีชีวิตยืนยาวจนอยู่หลังพุทธประนิพัน์ แต่ในที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานนั้นก็ไม่ได้อยู่แสดงว่าคงไปเผยแผ่าศาสนาจไกลามากเพราะท่านรับผิดชอบในรอบนอกของมชิมชนบดคือตอนกลางของประเทศอินเดียไปเผยแผ่ไกลๆก็คงจะไม่รู้ข่าวไม่มีใครส่งข่าวว่าพระพุทธเจ้าปรองประชนม ย, ยุสังขารถ น, อนอาจจะตั้งปัญหาขึ้นภายในใจว่าเอ๊ะพระอาหารหันต์มีญาณ อย่างรู้ก็น่าจะรู้คือยานเนี่ยมันก็เหมือนกับวิทยุเหมือนกับอะไรเนี่ยถ้าไม่เปิดมันก็รั บ, ร, บรับเสียงไม่ได้ทีนี้พระอาหารหันต์นั้นท่านจิตไม่ได้เกี่ยวเกาะอยู่ในอยู่ในวัตถุทั้งหลายไม่ได้เป็นห่วงใจว่าเออวันนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนเจ็บไข้ไม่นจะบายยังไงมัง่งก็ไม่รู้คือคือไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะฉะั้นในการจะใช้ยานเพื่อไปรู้ จึงไม่ได้ใช้มันไม่ใช้มันก็ไม่รู้ก็ต้องอาศัยการรู้แบบธรรมดาธรรมดามันมีการส่งข่าวท่านก็ไม่ได้ทราบเรื่องราวเรื่องนี้ทีนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ากษัตริย์ในสมัยพุทธกาลที่แคว์นวันตีนั้นที่จริงชื่อจันทรประโชดแสดงว่าพระเจ้าจันทรประโชดที่วงศ์คตไปแล้วว่าเปลี่ยนกษัตริย์ะ กษัตริย์ที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าระดับมหาราชสี่พระองค์ก็แสดงว่าที่วงคตไปสามพระองค์ตอนพระพุทธเจ้านิพพานก็คงจะนิพพานยามพระเจ้าประเสนิโกศนิรุนรงนะฮะในปีปีที่พระพุทธเจ้านิพพานนั่นเองแต่ว่าที่วงคตก่อนพระเจ้าพิมพิสารก็ที่วงคตก่อนสามปีเออที่วงคตก่อนพระพุทธเจ้านิพพานเจ็ดปีไม่ใช่สามปี จะพระเจ้าจันทร์พระโชดนั้นไม่มีหลักฐานบอกไปว่าที่บ่งคดเมื่อไหร่แต่มาดูตรงนี้แสดงว่าท่านก็ต้องที่บ่งคดแล้วเพราะเมืองเดียวกันนะที่นี้คําถามที่เป็นเหตุได้มาถามนั้นในมัชฌิมนิกายมีหลายสูตรต่อกันเยอะคือแสดงว่าพราหมณ์เองนั้นโหมกระหน่าโขมกระหนำ่ำมก็เรามองดูกับวิธีเผยแผ่ศาสนาพราหมณ์ก็คลาคลกระคิดนะคือไปเชิดชูตัวเองก็เชิดชูพระเจ้าของตัวเอง จะดูพระพรหมกับตัวเองแล้วไม่ได้ข็อีนางขังขอบอะไรจึงว่าตัวเองนั้นมีดีอะไรพระพรมมีดีอะไรจะให้ประโยชน์แก่โลกยังไงไม่ได้พูดถึงแต่มีลักษณะเชิดชูตัวเองเพราะฉนั้นสูตรตัวนี้มันคล้ายๆกระท่องจํากันมาเลยพูดเหมือนกันได้วันณนพราหม์เป็นวันณนสูงวันณนอื่นเป็นวันณะตามวันณน้าพรามเป็นวันณะขาววันหนอื่นเป็นวันณนาดำวันณนพราม์เป็นวันณนบริสุทธิ์วันณนอื่นเป็นวันณะไม่บริสุทธิ์คือเชิดชูตัวเองตลอด จจืตัวเองด่าลดแล้วก็เหยียบย่ําคนอื่นนี่คือลักษณะการเผยแผ่าศาสนาของพวกพราม์ซึ่งกัแอน เ, นเดอร์เกคริตนะฮะพวกอื่นเป็นพวกนอกรีตเป็นพวกซาตานเป็นพวกทรยศต่อพระเจ้าพวกเขาเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระเจ้าพระเจ้าเขาสูงสุดมีลักษณะเหมือนกันนิสัยเหมือนกันนะฮะกิเลสมากๆพอๆกันเพราะฉะนั้นการเผยแผ่ในลักษณะนี้ถ้าคนยอมรับรับถือนะฮะ วันไหนเขาได้สถานะสูงอยู่แล้วเพราะว่าคนยอมรับสถานะเขาเยเขาก็ได้โอกาสได้ผลประโยชน์จากคนเหลนั้นก็สบายนะฮะสบายไปแปดอย่างเลยทีนี้เมื่อเรื่องนี้มาถึงพุทธสํานักมียอะน ะ, ะในอัศลายนาสูตรในจังกีสูตรมีวาเสตสูตร แ, แตะรนะว่าจุปนิกายเูดเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่พระเจ้าทรงมีวิธีตอบคนละวิธีกัน ในกรณีนี้พระมหาการัญะท่านไม่ต้องการจะไปวุ่นวายกับเขามากคือแทนที่ท่านจะตอบเสีเองท่านไม่ตอบซึ่งเป็นวิธีที่นิ่มนวลอย่างหนึง่ง เ, เขาใช้ว่าเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นที่ที่ที่ผู้ถามก็มีอยู่แล้วนะครผู้ถามก็มีอยู่แล้วมาใช้ตอบสํานวนการตอบแนวนี้ต้องใช้คําว่าปฏิปุจชาคือถามตอบถามให้ตอบ โดยผู้ตอบพยายามโดยผู้ถามพยายามตะล่อมเรื่องซึ่งเขารู้อยู่แล้วแล้วก็ควบคุมข้อความที่นำมาเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถตอบได้นะการถามในแนวนี้คนคนตอบต้องตอบได้หมดเลยเพราะเราถามจากของที่เขารู้นะฮะแต่เขาไม่ได้คิดออกมาในในรูปหนึ่งเท่านั้นเองเออดังนั้นพอถามปั๊บ้าไปเนี่ยถามครั้งแรก สภาพทางสังคมเห็นกันชัดวันหน้าใดก็ตามจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมีกิจการต่างๆมีธุรกิจต่างๆก็ต้องมีลูกน้องลูกน้องนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นสูตรอาจจะเป็นพราหมณ์ก็ได้เป็นกษัตริย์ก็ได้เป็นแพทย์ก็ได้แล้วคนทั้งหลายนั้นก็ยอมเป็นพวกยอมเป็นลูกน้องรับใช้เพื่อรับผลประโยชน์จากบุคคลนั้น เป็นภาพปกติธรรมดาในสมัยพุทธกาลก็มีคนที่ร่ำรวยขึ้นมาบางทีมันก็เป็นสูตรรวยขึ้นมปพวกก ษ, ษัตริย์ก็กลายเป็นลูกน้องไปเลยพวกพราหมณ์ก็กลายเป็นลูกน้องไปหรือแม้ในเหตุการณ์ปัจจุบันที่อินเดียวุ่นวา ย, ยเรื่องวันนะนี่เอาก็จริงมาก็ไม่เก่งไม่แน่จริงครับพอถึงคนรวยแล้วเพื่อนลืมวันนะทุกทกีเอาก็จริงก็ค่ากบสังคมไทยไง ดังคนไทยเราเราจะเห็นว่าเอาก็ต้องนับถือคนดีอย่างนั้นอย่างนั้นเอาก็จริงไม่แน่พวกข้าวผิดมันร่ํารวยขึ้นมามีลูกน้องเยอะมันก็ไม่แน่จริงสักรายเด้งฮะไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดก็ตามนี่ก็คือโลกมันก็เป็นอย่างนั้นได้เราพูดพูดไปมันก็อย่างหนึ่งพอเอาเข้าจริงแล้วมันจะมีจุดหนึ่งซึ่งยืนยันว่าความเชื่อถือเหล่านั้นไม่จริงภาพเหล่านี้เหตุการณ์บุคคลเหล่านี้มันก็มีปรากฏเพราะงั้น พอรับสั่งถามพอพระเถระถวายพระพรให้คิดท่านก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นเพราะบุคคลแยะไปนะฮะตัวอย่างมันก็มีอยู่ในกรุงอุเชนีนั่นแหละไ ม, ไม่ต้องไปหาไกลนะคิดของท่านได้แนวที่สองกับแนวที่ข้อที่สองข้อที่สามเป็นเรื่องหน้าคิดนะฮะท่านถามว่าบุคคลที่ปฏิบัติในอกุศลกรรมบุอกุศลกรรมบุเป็นสู่ตายตัวนะฮะคือว่ากันอยู่เรื่อยเลย เพราะว่าเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นธรรมะที่สรงแสดงในระดับพื้นฐานสังคมแล้วก็มีปรากฏอยู่ในสังขารูปปฏิสูตที่พูดวันก่อนนะฮะพูดถึงว่าเราเลือกเกิดได้เลือกเกิดได้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามกุศลกรรมบุมีจุดเข้มข้นขนาดนี้เราก็กําหนดชาติเราได้ว่าเราจะเกิดเป็นมนุษย์ด้วยการปฏิบัติขนาดนี้เกิดเป็นเทวดาโดยการปฏิบัติขนาดนี้เกิดเป็นพรหม้วยการปฏิบัติขนาดนี้ จต่สมมติว่าสามารถเสงบโลภะโทสะโมหะให้อยู่ในจุดที่เราคุมได้คือมันเป็นฌานล้วเกิดเป็นพรหมเราเลือกเกิดได้หมดได้แต่แท้จริงแล้วมันอยู่ที่กุศลกำททหนดวันปัญหาสำคัญว่าความเข้มข้นมันอยู่ขนาดไหนถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้สูงพบชาติเราก็เปลี่ยนขึ้นไปโดยลำดับคือสูงขึ้นนะทีนี้พอถึงอกุศลกำหนดแต่ความเข้มขม้นมันมันมันมันก็แตกต่างกันก็ทาให้เกิดเป็น ในทุกติอาจจะเป็นนบายทุกติวินิบาตนารกอสุรกายหรือมนุษย์ก็เป็นคนกระจอกเง่าหงอ ย, งอยพิกลพิการลําบากจากไร้อนาถาหมืดมามืดไปมืดมาไอสว่างมามืดไปอะไรต่อะไรนเนี่ยก็เป็นคนประเภทที่หาความเจริญไม่ได้แต่เวลาพระเถระถามพระเถระไม่ได้ถามในปัจจุบันเพราะปัจจุบันนั้น มันก็มีคำถามอยู่ในข้อที่สแล้วท่านก็ถามเฉพาะข้อที่สองว่าคนที่ประพฤติในอกุศลกบฏเหล่านี้ยตายแล้วตกตกนรกเสมอเหมือนกันไหมเราสังเกตนะครับพระเจ้ามาทุราตะวันตีบุตรท่านไม่ตอบเองนะฮะท่านบอกว่าได้ยินจากคําของพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าเป็นเช่นนั้นเพราะท่านก็ไม่รู้เหมือนกันนะนรกสวรรค์มีหรือเปล่าแต่ว่าพระอาหารหันต์นั้นว่าอันนี้ก็ไปยืนยันหลักทั้งหลายทั้งหมดนะฮะ เพราะว่าอย่างในสังฆารูปปฏิเสธที่พูดวันก่อนว่าทิรฐพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนที่ปฏิเสธความไม่อยู่ของโลกหน้าไม่อยู่ของนรกสวรรค์ น, นั้นเป็นวามีวาทะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระราหันทั้งหลายในโลกเมื่อเขาคิดว่าไม่มีมันก็คิดผิดพูดว่าไม่มีมันก็พูดผิดนะความเห็นว่าไม่มีก็เห็นผิดแล้วไปแนะนําคนอื่นว่าไม่มีก็เชื่อว่าเป็นการแนะนำแนะนำในทางที่ไม่ชอบธรรม พระเจ้ามาทุราตวันตีนั้นท่านเป็นบัณฑิตท่านคิดคมมาตั้งแต่ตอนต้นนะครูร้ข่าวพระมหากระจาชนะว่ามาอย่างนั้นองมีคุณสมบัติอย่างนั้นยอย่างนั้นท่านบอกว่าการพบเอ็นเห็นพระอรหันต์ที่มีคุณสมบัติเช่นนี้เป็นการดีไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะไม่คิดว่าเออจะบอกหวยหรือเปล่าไม่รู้ลงก็อะไรแต่ไรม่ได้คิดเป็นการดีเท่านั้นเองตอนนั้นพอมาถึงนี้ท่านก็คิดคมอีกคือแทนที่จะบอกว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยฮะจริงตัวเองก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง ถ้าไม่จริงก็ไม่รู้บ้างกันแต่พระอาหารหันต์ท่านว่าจริงอ่ะพระอรหันต์ท่านว่าจริงพระท่านมียาเราไม่มียาเน่ยท่านก็บอกว่าได้ยินมาจากปากพระอรหันต์ทั้งหลายว่าเป็นเช่นนั้นไม่ตอบเองนะฮะไม่ตอบเองพอมาถึงข้อที่สองข้อที่สาที่ท่านถามว่าคนที่ปฏิบัติในกุศลกรรมบท10ประการมีการไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นนะฮะจนถึงมีความเห็นชอบ ยมบังเกิดในสุขติเสมอเหมือนกันหมดใช่ไหมท่านบอกข้อนี้ก็ได้ฟังมาจากปากป ร, ราหานเหมือนกันมาเป็นอย่างนั้นพอมาถึงข้อที่สที่ถามว่าคนซึ่งทาผิดกฎหมายบ้านเมืองนะเบียดเบียนการฆ่าการได้รต่ะอะไรเนี่ยที่มันผิดกฎหมายสรุปผิดกฎหมายเยอะแย ะ, ยะท่านท่านยกมาแยอะเลยจะต้องได้รับโทษตามกระบินเมือนเสมอกันหมด ท่านบอกต้องเป็นอย่างนั้นไอ้ีท่านมีนิจายได้เพราะท่านเป็นพระราชานนิจัยได้แล้วในสมัยก่อนนั้นในลักษณะที่เรียกมอมุขโคโลกนะนี่ออกจะจ ะ, จะมีน้อยนะครับเพราะคนถือสัจจะมากสัจจะเข้ามั่นคงมากเลยคือยอมตายไม่ยอมเสียสัตว์กันแต่นั้นกฎหมายจึงออกจะศักดิ์สิทธิ์คือไม่ใช่ว่าคนนี้เป็นอภิสิทธิ์จน ไปทำผิดก็กลายเป็นไม่ผิดไปเลยหรือมีเงินมากมีอำนาจมากมีอิทธิพลมากอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติอะไรต่อใดเนี่ยันทีเล่นไพ่ก็ไมไ่ไม่เล่นอะไรต่อใดเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติโดยทำจริงๆแล้วกฎหมายคือกฎหมายมันมีการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่ได้พูดว่าใครเป็นคนกระทำผิดมีการกระทาผิดก็คือการกระทาผิด เราพูดเป็นโจทย์เป็นจาเลยอะไต่อะไรเนี่ยฮะเพื่อแสดงเห็นว่าเราไม่สนใจถึงถึงสถานะดั้งเดิมของเขาก็ถ้าจะพูดถึงสถานะดั้งเดิมมันก็จะกลายเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ไม่รักษากฎไม่สามารถจะรักษากฎหมายได้ดังนั้นในแง่ของความเป็นจริงแล้วคนทุกคนนั้นเสมอกันในด้านกฎหมาย แม้ ร, รัฐมนุษก็ว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าในเชิงปฏิบัติโลกมนุษย์นั้นเป็นอย่างหนึ่งแต่ข้อที่แน่นอนที่สุดคือข้อ2กับข้อ3ามนะฮะเราจเห็นว่าประพฤติในกุศลกรรมบทตายไปประสบทุกข์เหมือนกันป ร, ประพรุติในกุศลกรรมบทตายไปบังเกิดในสุคติเหมือนกันในระดับเดียวกันนั้นจะตกนรกหรือว่าจะบังเกิดในสุคติระดับเดียวกันอย่างเมื่อคืนนี้ก็อัดอัดเทพไปเรื่องเปรต ือทำบาปมาพอๆกันแต่ว่าคนหนึ่งน้อยกว่าน่อยเลยก็ไปไปเปรตอยู่ในขุมเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันแต่ไอเปรตที่บาปน้อยก็สูงขึ้นไปหน่อยก็ดีขึ้นไปหน่อยทั้นั้นเองหรือว่าทำกุศลกรรมที่เสมอกันเนเออก็ไปไปบังเกิดในสุคติเหมือนกันหรือบางครั้งบางคราที่เปลี่ยนสถานะอย่างที่เคยเล่าในที่ไหนล่ะพระเจ้าปายาสินะฮะอุตรมามนบเป็นลูกน้องพระเจ้าปายาสิ พระเจ้าป ญ, ญาสิเป็นกษัตริย์ทำไปทำมาด้วยอำนาจบุญนั้นพระเจ้าปยญญาสิบุญน้อยกว่าเกิดในเสริสกาวิมานว่างไม่มีอะไรอุตตรม า, านกเกิดดาวดึงนี่เราจะเห็นว่าคนชายเกิดสวรรค์ทันดาวดึงราชาเกิดเสริสกาวิมานว่างนี่คือกรรมที่มันจําแนกชัดไม่มีไม่ดูหน้ามนุษย์มนาหรอกคือว่ากรรมนี่เป็นเนขาที่แน่นอนที่สุดเลย ซึ่งก็มีลักษณะแต่คล้ๆกับอะไรนะฮะใกล้ๆกับสีสีดําอย่างเนี้ยคือไปแตะที่ใครบางคนนั้นก็ดำไม่ไม่ไม่ได้จําเป็นว่าจะอยู่ในชาติชั้นวันนะสถานะทางทรัพย์สินเงินทองสังคมเป็นยังไงก็ตามถ้าทาสีดําก็ดําบาปกุศลก็มีลักษณะอย่างนั้นกุศลมันก็เหมือนกับสีขาวคือทาใครมันก็ขาวไม่ใช่ว่าเพราะ คนนี้ไม่ขาวคนนั่นจะขาวคือมันจะขาวเหมือนกันหมดตามปริมาณของสีที่ทาบากุศลก็มีลักษณะอย่างนั้นนี่คือคือคือข้อยุติที่เรียกว่าเป็นธรรมที่สุดในในสังสารวัตรนะฮะไม่ใช่ในโลกในสังสารวัตรแต่ข้อที่สนั้นก็เป็นการแสดงถึงความจริงอีกชั้นหนึ่งว่าในสังคมที่เป็นธรรมที่เราเรียกว่ายุติธรรมนั้น การใช้กฎหมายจะใช้ในลักษณะเสมอกันไม่ได้เลือกชาติชั้นวรรณะของบุคคลแต่ประการใดนี่ก็คือความไม่ต่างกันของคนทั้งหลายใ น, นข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนั้นได้แสดงถึงสถานะของนักบวชซึ่งในสมัยนั้นก็มีอยู่เยอะมีนักบวชอยู่หลายพวกเฉพาะในกรุงเช น, นีนั้นก็มีพระสงฆ์อยู่ด้วย พระเจ้ามัทราดรวันตีบุตรนั้นมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้และยอมรับสถานะของคนที่ประพฤติปฏิบัติดีแต่นั้นเมื่อพระเทราถามว่ า, าวันนั้นใดก็ตามคือจะเป็นกรรษัตริย์พราหมณ์แพทย์สู่ก็ตามถ้าประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ย่อบะได้รับการเคารพสักการะนับถือบูชาบํารุงด้วยจตุปัจจัยแสดงตนด้วยความเอื้อเฟื้อต่อท่านเหล่านั้นเสมอเหมือนกันหมดใช่หรือไม่ ก็บอกว่าเป็นเช่นนั้นแตในความรู้สึกของคนระดับพระเจ้ามาทุราราวันตีบุตรนะก็ถือว่าเป็นเช่นนั้นแต่ว่ารายเปรียบย่อยนะั้นแน่นอนเหลือเกินนะฮะว่าการปฏิบัติของบุคคลที่ยังเกี่ยวเกาะยังกําหนดเป็นเราเป็นของเราเป็นพวกเราหรือว่าคนนั้นเป็นเจ้านายคนนี้เป็นคนจนอะ ไ, ไรแต่อะไรมันคงมีอยู่ธรรมดาแต่โดยหลักที่เป็นธรรมแล้วการแสดงความเอื้อเฟื้อ จะต้องมีเสมอกันซึ่งก้อนี้เราเห็นได้อย่างในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลทั้งกําหนดอยู่ที่การปฏิบัติดีพระเทวทัตเป็นกนาษาตัตริย์ปฏิบัติไม่ดีประชาชนก็รังเกียจชิงชังไม่ชอบใจปุบาลีซึ่งเป็นคนใช้นะฮะบวชพร้อมกันปุบาลีซึ่งเป็นคนใช้แล้วก็บวชพร้อมกันด้วยแต่กลับได้รับการเคารพสักการะนับถือบูชาจากประชาชนทั้งหลาย ยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเราก็จริงในเรื่องนี้เมื่อกล่าวโดยสรุปเนี่ยคนเราก็ไปลงกับอะไรลงกับภาษิต ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนจะเป็นคนเลวก็ไม่ใช่เพราะชาติสกุลจะเป็นคนประเสริฐก็ไม่ใช่เพราะชาติสกุลแต่จะเป็นคนเลวหรือคนประเสริฐได้ก็เพราะการกระทาคือการประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลผู้นั้น แล้วก็ไปเข้ากับคำนวนจีนนะฮะที่ว่าคนเราดูหมินตัวเองก่อนแล้วจึงถูกคนอื่นก็ดูหมินนี่ภาษาไทยๆแทนไอภาษาธรรมดาธรรๆหน่อยนั้นการที่ใครก็ตามถูกชี้หน้าว่าเป็นคนเลวก็เพราะเขาทํากรรมที่เลวไว้ใครที่ถูกชี้หน้าวา่าถูกยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีเขาก็พูดถึงกรรมคือการกระทําของบุคคลตนนัน้แน่นอนในกรณีทั่วไปนั้นเนื่องจากโลก ยังมีคนอยู่หลายระดับมีเงื่อนไขาภายในจิตใจมีเงื่อนไขาทางสังคมมีเงื่อนไขาทางการเมืองอะไรต่ออะไรเนี่ยคนดีนั้นอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีได้แต่คนไม่ดีอาจจะได้รับการยกย่องขึ้นมาได้แต่วันนั้นมันโดนโดยเงื่อนไขของคนไม่ใช่เงื่อนไขของธรรมเงื่อนไขคนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ในขณะเดียวกันที่ คนซึ่งเป็นคนดีแม้จะถูกเอะเงินไขต่างๆของสังคมของอะไรเนี่ยคือบางครั้งบางครามันก็เอากันเลยนะฮะจนถึงตายไปเลยแต่ว่านในที่สุดความดีก็จะตัปรากฏขึ้นมาดยงเกียรติประวัติของบุคคลบางคนในอดีตเนี่ยเราไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกว่าในสมัยเมื่อ30สกว่าปีมันแล้วเนี่ยพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นจะถูกบิดเบือนเยอะเลยเกิด ประวัติศาสตร์และเลงทรยะเยอะเลยแต่พอในปัจจุบันนั้นเปล่งประกายรัศมีขึ้นมาโดยลำดับจนเข้าทาเนียบโลกเป็นประมากษัตริย์ที่เข้าทาเนียบโลกเป็นนันกวิทยาศาสต ร, ร์ที่เข้าทาเนียบโลกองค์การของสาปรชะาชาติยกย่องพระองค์ท่านแล้วเวลานี้เราลองดูว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้มีการล้างคโครนอะไรแต่ไรที่คนก็สาดให้เปื้อนไว้ออกไปเยอะคนก็คิดถึงพระองค์รำลึกถึงพระองค์เชิดชูพระองค์วันสวรรคตรของพระองค์ก็กลายเป็นวันรำคัญขึ้นมานี่ก็หมายถึงว่าความดีมันก็ดีนะแต่บางครั้งมันมีเงื่อนไขยอย่างอื่นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ดีก็คงเป็นดีอยู่นั่นเองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอาจจะ มีกำมัดบางอยู่หน่อยเมื่อถึงคราวถึงโอกาสความดีนั้นก็จะปรากฏขึ้นในตอนต่อไปนั้นการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเป็นวิธีการเทศที่ที่สอดคล้องกับคนครับคือตามปกติคนใหญ่คนโตนี้ค่อยมักจะมีมานะ มณะในด้านยศศักปาณะเพราะความรู้มาด้านไอมณะประธานะตำแหน่งอะไรแต่ไรนี่พระหมหาการยนตะ์ท่านแทนที่ท่านจะเทศท่านก็ยกจ้องเขาคือเสนอให้เขาคิดเราเองเขาตัดสินเราเองแต่ที่จะยัดเยียดความคิดให้หรือไปชี้แจงอธิบายให้เพราะงั้นพระเจ้ามาัทรวดวรนตีบุตรท่านก็สงา่าพอสมควรแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใส ในข้อเสนอในการชี้แจงของพระหมหาไกจายนยนะัแต่ท่านชี้แจงให้ฟังทุกตอนนะฮะชี้แจงให้ฟังทุกตอนพอตอบแล้วก็แสดงตนถึงยกย่องสรรเสริญพระธรรมเทศนาอย่างที่บอกมาแล้วนะฮะว่าแนวการยกย่องพระธรรมเทศนานั้นมันใช้สูตรเดียวกันดูดูเหมือนคล้ายๆจะท่องกันมาคือเหมือนกับ หงายของที่คว่าําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาจะได้เห็นนะแม้จะส่องประทีปไปแล้วถ้าคนตาบอดมันก็จบเป็นการเพราะงั้นอุปมาเหล่านี้มันก็เป็นรูปธรรมดีที่มองเห็นภาพชัดเจนว่าของที่คว่ำอยู่นั้นไม่รู้อะไรแต่เมื่อหงายขึ้นมันก็รู้อะไรเป็นอะไรของที่ปิดอยู่ก็ไม่รู้อะไรพอเปิดขึ้นมันก็รู้ว่าเป็นอะไร คนที่หลงทางไม่รู้ว่าไปทางไหนเมื่อบอกข้าวมันก็ไปได้ถูกของก็อยู่ในที่มืดไม่รู้มีอะไรอยู่บ้างและเมื่อมีคนจุดแสงสว่างขึ้นมันก็รู้ว่ามีอะไรแค่อะไรเป็นอะไรอยู่ในที่นั้นเวลาสรนเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็จะสรนเสริญกันในลักษณะนั้นสันเซิร์นภาษาวกก็สันสัสัิญกันในลักษณะนั้นเออประการต่อไปก็คือเราดูถึงความบริสุทธิ์หมดจดนะฮะ ในด้านจิตใจของพระอระหันต์เนี่ยพอพอพอคนประกาศตนประกาศตนถึงทันนีปฏิเสธทันทีเลยบอกไม่ได้ไม่ได้อัตมาเองก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่จะถึงก็ให้ถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าอัตมาภาพเองก็ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่รึตัวนี้ดูคล้าจะไม่มีปัญหานะ จะไม่มีปัญหาแต่แท้ได้จริงแล้วเราเห็นได้อย่างชัดว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างความซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ภายในจิตใจของพระรยะบุคคลกับปุตุชนคือพระปุธุชนนั้นบางครั้งบางคราวนะฮะบางที่บางองคก์ก็ไม่ใช่ทั่วไปเวลาคนแสดงความเคารพนับถือเชิดชูตนมาถึงแม้มีพระพุทธปฏิมาปดิสถานอยู่แล้วกราบตนก่อนในส ง, ง่าเลย นะโก้โก้โก้หรือเกิดโดยลืมไปว่าที่จริงนั้นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยพุทธานุภาพเกิดขึ้นด้วยบา ร, รมีธรรมของพระรัตนใจไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวเราแต่แทนที่จะแนะนําชักชวนให้โยมไหว้พระพุทธก่อนหรือก็ไหว้ตัวแรกก่อนและบางทีก็ไม่ได้ไหว้พระพุทธอะไรซึ่งว่าที่จริงการปฏิบัติในลักษณะนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะเราเองก็เป็นพูดถึงพระ พุทธเจ้าประทับพระสงฆ์ว่าเป็นสนะอะไรก็ต้องยกถวายพระราชทานใจไปเราเพียงได้อาศัยใบบุญของพระราชทานใจก็ดีพอแล้วนะแต่พระอาหัรย์นั้นท่านจะแสดงคือคือเรามองกลับไปถึงไอ้บริสุทธิคุณของท่านว่าที่ว่าจิตไม่มีอาสวะไม่ถือมั่นอุปาทานเนี่ยจากพฤติกรรมที่แสดงเนี่ยมองกลับออกไปอีกทีหนึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นว่าความคิดเหล่านี้คําพูดเหล่านี้การการะทาเหล่านี้ ส่อให้เห็นถึงพื้นอัธยาศัยจิตใจที่แท้จริงของท่านว่าเป็นยังไงมีความบริสุทธิ์หมดจดมีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าอย่างไงบ้างแม้จะแสดงทำอะไรก็ต้องให้ยุติลงการสมการกับตีพระพุทธเจ้าแสดงทําตัวเป็นเหมือนราชทูตอ่าราชสารไม่ไปจุ่นจานกับประธรรมเทศนาของพระองค์พอมาถึงตะหมากระจายนะ ท่านพระเจ้ามัุราดวันตีเมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าไ ป, ปนิพพานเสียแล้วก็รู้สึกผิดหวังนะแต่จิตใจที่มั่นคงเข้าใจอะไรได้ดีเพราะท่านก็เข้าใจอะไรดีมาตั้งแต่ต้นแต่ก็เลยก็ถึงรวบยอดไปเลยถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสุบโดยให้พระหมหาการณ์เป็นเพียงพยาน เพราะท่านเองก็อยู่ในสังกัต t a อยู่แล้วนะฮะก็ไม่จําเป็นจะต้องแยกออกมาและพูดถึงแยกออกมาเนี่ยมันก็ทํานองกับการกรวดน้ำนะฮะเราจะเห็นว่าก็พูดแยกไปแยกไาแล้วก็พูดอกระจายมันก็สูญเสียเวลาสูญเสียเวลาไปแยกอย่างอย่างในสมัยโบราณในกรณีที่ทําบุญอุทิศกุศลให้แก่ญาติพี่น้องมันก็ใช้คําง่ายๆสองสองสองประโยค อีดังโมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขอผลแห่งทันนี้จงถึงแก่ญาติทั้งหลายข้าพเจ้าขอาญาติทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นสุขไม่ต้องบอกชื่อเ้าหมดคนระับมันทั้งหลายแล้วดินะทีนี้ปัจจุบันเราก็ใช้คำว่าสัพเพตต า, ตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่จริงไม่เหลืออะไรแล้วนะเราก็ติดอยู่ในทั้งหลายทั้งปวงนี อย่ามันต้องเสียเวลาไปลงทุนรงแรงไปท่องตั้งหน้าสองหน้ากระดาษแต่ว่ากันเหนื่อยพระยะถาเสร็จตั้งนานแล้วยังมา อ, อิมินาปุญจกเมนะอุตรุดไปเลยไม่รู้ว่าอะไรกนี่ น, นีเรียกว่าคําคำมันมันมากไปแต่ว่าความไม่ได้ขยายออกอะไรภาษาลิเกอที่เขพูดเป็นภาษาลิกเกอไปของท่านนั้นท่านใช้คำว่าพระสง์มันก็สรุปหมดไม่ได้ไปติดใจว่า เราจะต้องไปขยายอีกพร้อมด้วยพระคุณเจ้าไม่ต้องเพราะพระคุณเจ้าเองก็เป็นพระสงฆ์อยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปใส่กันอีกพละความในลักษณะนี้เรานิยมใช้กันนะท่านตั้งหลายลองสังเกตว่าสมัยหนึ่งจะมีการพูดจาปราษัยอะไรสวัส ด, ดีพี่น้องประชาชนทหารข้าราชการตำรวจนักเรียนนักศึกษานักโทษอะไรทาว่าไปเลยกว่าจะได้พูดสักเรื่อเป็นภาษาลิเก สาริเกมบุญลความแยะเลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นแต่เราพูดใช้คำเดียวนะฮะพี่น้องประชาชนคนไทยนะที่เคารพรักทั้งหลายหมดแล้วไม่ใช่คนไทยก็ไม่ต้องเคารพอะไรท่้ไหัหรือว่าร่วมประเทศนะร่วมประเทศที่เคารพรักทั้งหลายก็กินความมากหน่อยข้อความก็ไม่จำเป็นจะต้องมา ที่นี้ถึงนั้นเป็นสูตรที่เราเอานํามาใช้ในปัจจุบันนะฮะท่านจะเห็นว่าเวลาเราว่าระเอสาหัางปันเตสุจิระปรินิปุตตามปิะะต่างประกันต่างสนังกัจฉามิธำมันจะสังคันจะที่เราว่านะฮะสุจิระปรินิปุตตามปิแม้ปรินิพานานานแล้วนะแม้ปรินิพานานานแล้วขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานานานแล้วพร้อมกับพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นสนะที่พึ่งทีระลึกขอให้ท่านมหากัจจยนะช่วยรับทราบว่าข้าพเจ้าเป็นอุบาสกตลอดชีวิตอุปาสกางมังสังโคทาเรตุอจชะตเกปานุเปตังสนังกะตังที่เรามาแสดงตนพุทธมามากะพุทธมามิกาทุกวันเนี่ยมันก็ตัดคำบางคำออกเช่นกัปยานโนนี่ออกเพราะว่าเราไม่ได้พูดกับพระมหา ก, กัจจยนะก็ตัดออกแล้วโครงสร้างนี่เราก็เอามาใชายย้ตลอด เป็นการแส ด, แดงหลังพุทธปณิพานธ์ตัวสมัยก่อนนั้นพระพุทธเจ้ายัางดำรงพระชนอยู่นะฮะข้อความบางคําก็ไม่มีเช่นว่าสุจิระไปนิบุตรตามปินี่ก็ไม่มีเพรา ะ, ราะตอนนั้นก็แสดงพระพุทธเจ้าเลยต่อมาพระเจ้ามัทรวดวันตีบุตรก็ใช้ประโยคนี้ขึ้นมาแสดงเราก็ถือตามท่านถือตามท่านมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี่ แต่ ว, ว่าคำบางคาก็ออกฮะที่ว่าตัดคําว่าหมากระจายนะออกคําเดียวนอกนั้นก็เหมือนเดิมแสดงตนเป็นอุบาสกแสดงตนพุทธมามิกะแสดงตนพุทธมามิกาหรือแม้แต่พระขอบวชจะขึ้นเหมือนกันนะฮะเอสาหังปันเต ย, เยขึ้นเหมือนกันเวลาพระขอขอบวชตอนแรกที่สุดจะขึ้นตรงนี้เหมือนกันนี่ก็คือโครงสร้างที่ โบราณนะฮะคือยุคพุทธสมัยได้กระทำไว้หรือแม้แต่หลังพุทธสมัยเล็กๆแน่นอยทำไว้เราก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันบัดนี้ทีนี้การถึงพระ ร, พรัตนตรัยหรือรูปต่เจ้าประธรรมประสงค์แม่ได้มีผ่านนานแล้วเป็นว่าเป็นที่พึ่งเที่ยลึกของตนนั้นก็อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าการถึงที่ถูกต้องจะต้องสัมผัสคุณได้คือถึงในลักษณะเข้าถึงคุณ ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสุข์จึงจะชื่อว่าเป็นการถึงที่ถูกต้องและจากการถึงคุณของท่านนั่นเองเมื่อคุณเพิ่มขึ้นไปลําดับเราก็สัมผัสธรรมะสูงขึ้นโดยลําดับจะทําให้มีความสุขมีความซึ้งมีความประนีตบังเกิดขึ้นประเด็นที่สําคัญในที่นี้จึงอยู่ที่หลัก5ประการหลัก5ประการที่ผู้ศึกษาจะต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าพูดเฉพาะพุทธสมัยนะฮะ ที่จริงไอ้ความการถือกันในลักษณะอย่างนั้นนะ่ยการดูหมิน่น ก, การยกตนขม่มท่านกันอะไรต่ออไรที่มันในโลกมนุษย์เนี่ยมีกันอยู่ทุกยุคทุกสมัยเราสีสูงกว่าคนนั้นเราตำแหน่งดีกว่าคนนี้อะไรมันก็วัณณะนะที่จริงมันก็แนววัณณนะเพราะนี่มันเกิดมานะเกิดมานะความถือตัวเชิดชูตัวเองแล้วก็เหยียบย่ำคนอื่นดูหมิ่นคนอื่นมันก็แนวเดิมไม่ได้ไม่ได้นั่นอะไรคือรูปโครงสร้างทางความคิดนั้นไม่เคยเปลี่ยน มันก็เปลี่ยนแต่ลักษณะหรือสิ่งที่นํามาคิดเท่านั้นเองไม่ได้แตกอะไรเลยในปัจจุบันก็คงมีปัญหาอย่างนั้นเราจะเห็นว่ามีการรังเกยียจดังงอนมีการดูหมิ่นกันในอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็เหลืงเจ้งเหลิงแมวไปภาคนั้นภาคนี้หรือแม้แต่คนในตระกูลเดียวกันนะฮะฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไอ้สัพ้ายมันไม่ดีไอ้นังลูกเขยมันไม่ดีม ห, หาเรื่องแยกเป็นเบีย้ยหัวแตกแหลกเหลวหมดเลยนี่ก็คือความคิดที่สรุปว่าเป็นมานะคือเชิดชูตนเอง เชิดชูตนเองแล้วก็เหยียบย่าคนอื่นไม่ว่าจะเอาอะไรมาเป็นเป็นตัวเชิดชูก็ตามนะฮะอย่างพวกพรามนี่ก็เอาโน่นอาพรมเลยมาเชิดชูเอาพรมมาเชิดชูตัวเองเพราะตัวเองไม่มีดีอะไรมันก็เกาะโหนพรรมนะฮะโหนพรรมเพื่อแสดงเห็นว่าตัวเองนั้นเกี่ยวเนื่องกับพรรมที่จริงประวัติความเป็นมาของพราหมณ์ถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์พรามณ์นี่เป็นคนที่แย่ที่สุดนะฮะ เป็นคนไม่เอาอ้าวเนี่ยฮะเป็นคนเร่ร่อนผาเจจนจรขี้เกียจทํางานไปเตี๋ยวสุกหัวนอนอยู่ตามเทวาลัยต่างๆพอเห็นพิธีกรรมต่างๆที่เขาทําแกก็จําได้นะฮะแกก็เดินลุกขึ้นมาขออาหารก็ได้จําได้จดําได้ก็บอกกล่าวกันในหมู่พวกของตัวเองแล้วกลายเป็นผู้ชํานาญการไปเลยเป็นผู้ชนานาญการไปเลยเพราะแกพบเห็นในสุดก็คอยแนะนําคนค น, คนก็เชื่อถือขึ้นมาโดยลาดับตัวลำดั บ, ดดบพวกนี้ก็เกาะกลุ่มกันได้แลกเปลี่ยนกันในระหว่างหมู่พวกของตัวเอง นะเมื่อเมื่อได้ฐานคนศรัทธามากพอก็หาที่โหนะและเอาพระพรหมมาโหนเอาอะไรมาโหนเพื่อให้ตัวเองได้ฐานะที่มั่นคงขึ้นภายในสังคมนี้ก็คือความฉลาดแกมกงนิดหน่อยของพวกพรามฉลาดแกมกงองก็ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ของพวกพรามแต่ว่าอาศัยความโง่ของคนด้วยคือความความโง่ของคนเนี่ยทำให้คนยอมรับสถานะเหล่านั้นแต่ที่จริงพรามแกก็ไม่ฉลาด คือตอนแกสร้างขึ้นมานั้นทอดแดงตัวเองใหญ่นะแกเรียงพราหม์กษัตริย์แพทสุดแตแกลืมไปนะว่ากษัตริย์มีอาวุธลืมไปว่ากษัตริย์มีอาวุธพอเอาก็จริงกษัตริย์ก็พริกเอาพรามณ์ได้อย่างดีนะฮะแค่กำนันไอ้งไม่ใช่แค่อะไรขนาดนายอำเภอนะฮะปัจจุบันเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งที่ที่ที่ ท, ที่เป็น เ, เก็บสามารถเก็บสวยสากลต่างๆได้อย่างดีก็เป็นแค่ปุโรหิต ฐานะตำแหน่งก็ไม่ได้สูงขึ้นเพราะว่าแกแกหลงได้แล้วนะฮะแกหลงในจุดนั้นหลงในจุดว่าเป็นเจ้าวิธีรีตองต่า ง, างๆไม่รู้ต้องรู้นะฮะไม่รู้ต้องทําว่ารู้แล้วบางทีก็ทําปั่นปวนหมดอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องยันยสูตรนะฮะยันยสูตรที่พระเจ้าประเสริฐในโกสลทรงสุบินนิมิตได้ยินกับวัตทุกสารน่าสัไอพวกนี้มืดตื้อเลยนะที่จริงไม่รู้อะไม่รู้อะไรเลยว่าไม่ทั้งเงื่อนต้นเงื่อนปลายเงื่อนกลางไม่รู้อะไรเลย ทำไมเสียงมันดังขึ้นมาได้ก็เพื่อจะรักษาสถานะของตัวเองก็หลอกให้พระเจ้าประเสริฐนิคุณสนบูชายัญเหมือนงั้นจะเป็นอันตรายแก่พระญาติวงอะไรอะไรเนี่ยนี้ก็คือการแกระทําของกลุ่มผลประโยชน์ที่มุ่งจะได้ผลประโยชน์เพื่อตัวเองแล้ก็ซิกแซกไปที่แซกมาผลประโยชน์นั้นก็ตกแก่แก่กลุ่มของตัวเองนะฮะเมื่อได้บูชายั น, นได้ บูชายัญสมมติว่านะฮะสมมติว่ามันเกิดอันตรายขึ้นแกก็ต้องบอกว่าอู้ในยันนั้นมันมีความบกพร่องอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นจริงจริงมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นละเพราะยันนั้นคุณบกพร่องไปหน่อยเหมือนกับพวกสะดอกเคลาะอะไร ปัจจุบันแหละทำท ำ, ำทำทำก็บอกให้โยมได้ให้ให้คนก็สะดอกเคราะให้ทำพิธีอะไรต่ไรพ อ, อยังพ อ, อยังมีอันตรายขึ้นมาใม่ในคราวนั้นนะคุณทำมาเวลามันผิดเรื่เป็นทอยนั้นที่จริงต้องไม่ผิดเรื่องแล้วคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยลจริงจริงไงเราก็ยังโง่ต่อกันไปแล้วปล่อยเพื่อนต้มกันอย่างเงี้ยก็ทิ้งเงินคนเราถูกต้มกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็อยู่ในสูตรที่ว่าคนโง่เป็นเหยื่อคนฉลาดแกมโกงนะฮะไม่ใช่เหยื่อกับคนฉลาดนะคนฉลาดเขาไม่เบียดเบียนคนโง่ คนฉลาดแกมโกงเท่านั้นเองพระพุทธเจ้านั้นจอมจอมปราดผู้ฉลาดที่สุดคนโง่เป็นที่พํานักของคนฉลาดแต่เราพูดคนโง่เป็นเหยื่อคนฉลาดไม่จริงครับคนฉลาดต้องแกมโกงด้วยถ้าฉลาดจริงๆแล้วจะเป็นที่พึ่งพํานักของคนโง่เพราะมันช่วยกันในสังคมเนี่ยคนโง่จะกลายเป็นคนฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยคนฉลาดเป็นผู้ชี้แจงแนะนําสั่งสอนให้นี่ก็คือสูตรสูตรของสังคมไม่ใช่ว่า มีเฉพาะในสมัยนั้นแต่ตั้งหลายจะเห็นว่าถ้าเรายอมรับว่าคนเราไม่ได้ต่างอะไรกันเพียงแต่การประพฤติการกระทําของคนเท่านั้นเป็นเป็นตัวจําแนกแบ่งแจกแต่เวลานี้ขณะนี้เราก็ได้สถานะทุกอย่างมาแล้วเราก็ไม่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ในขณะเดียวกันเราคนเรานั้นสามารถเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทําได้ เช่นว่าอาจจะเป็นคนไม่ดีอาจจะเป็นคนขี้เกียจอาจจะเป็นคนฐานะต่ำต้อยอยู่อาจจะเป็นคนไม่รู้แต่เราก็เลือกทำสิ่งที่เป็นเหตุเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นได้คือก็เป็นเรื่องลิขิตตัวเองนะฮะเป็นเรื่องลิขิตตัวเองไม่ได้สอนให้ไปรออำนาจอะไรจากปัจจัยภายนอกมาคอยลิขิตให้เพื่อมองให้ซึ้งลงไปพระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างในแนวนี้ยงยกตัวอย่างถึงต้นวงพวกไอ้พราม ในอัศรายนัสูตรที่จริงก็อยู่ใกล้ๆ ก, กันนะฮะสูตรนี้ทรงเชี่อเห็นว่าพวกมหาฤาษีบรรพบุรุษของพราหมณ์เจ็ดคนนะี่กิว่าจริงมีตาบะเดชะสุสู้อสิตะเทวละดาบทึ่งเป็นวันนัสูตรไม่ได้มีพลานุภาพสูงฝึกสมาธิมาได้สูงกว่าแล้วมีฌานมีอิทธิฤทธิ์มีอภินยาสูงกว่า ในสุดพวกมหาฤาษีที่พราหมณ์เขายกย่องเชิดชูกันเนี่ยเอาเขาจริงยกย่องไม่ได้ยกย่องเชิดชูเพราะเป็นพราม์แต่ยกย่องเชิดชูเพราะมีคุณธรรมอสิตะเทวละดาบทนั้นแม้จะเป็นคนในวันณัสุดแต่มีคุณธรรมสูงกว่าพวกมหาฤาษีอีกเจ็ดตนซึ่งเป็นมหาฤาษีของพราหมนะฮะที่พรามเขายกย่องนะฮะมหาฤาษีเจ็ดตนเป็นต้นปฐมเหตุของพระเวสอะไรอนไรที่เว่าเนี่ยเป็นผู้ จะรึกพระเวทโดยการโดนบันดาลของอำนาจเบื้องบนมันก็แนวความคิดแบบเดียวโมเซสเขียนในอันนั้นนะฮะบัญญัติจิประการนะเหมือนกันนะฮะการโดนบันดาลแนวความคิดเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าเราหมุนวนอยู่ในอ่างไม่เคยหลุดรอดรอดพ้นจากอำนาจที่เราไม่เห็นตัวเกือวิชาได้ก็เราไม่รู้ก็โยนแม่ไปก็สมมติชื่อสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาไม่ว่ายุคใดสมัยใดจะเป็นอย่างนั้นเพราะความคิดของมนุษย์จึงหมุนอยู่ในในใ น, ในอ่างแค บ, แคบ แม้จะปรุงแต่งรูปร่างรสสีกลิ่นอะไรให้ผิดเพี้ยนไปบ้างก็ตามแต่ก็ยังอยู่ในที่เดิมนะฮะยังอยู่ในที่เดิมพระพุทธเจ้าสลัดหลุดไอจ า, ากวงจรเหล่านี้ออกมาได้อย่างอิสระแต่ในที่สุดเราก็มันติดนะคือหมุนได้จนติดเลยก็วิ่งกลับไปหมุนไปหาอยู่ในอ่างอีกยังมีการหมุนเข้าไปหาอ่างทั้งๆ ท, ที่พระพุทธเจ้าสลัดหลุดออกมาแล้วพระอาหารทั้งหลายท่านสลัดหลุดแล้ว <encima> เราไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจอะไรเหล่านั้นเลยเราเราตัดสินก็ด้วยการกระทําทั้งหมดคนจะเป็นพระอริยะได้ก็เพราะการกระทายาจกก็เป็นพระอริยะได้กษัตริย์ก็เป็นพระอริยะได้ในเรื่องของกรรมนั้นกษัตริย์ก็ตกนรกได้กษัตริย์ก็ขึ้นสวรรค์ได้ยาจกก็ตกนรกได้ยาจกก็ขึ้นสวรรค์ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ชาติชั้นวรณะแต่ประการนอยู่ที่การกระทําทั้งหมดเลยนะฮะอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่านยัจญาวสโลโหตินจัญาโหติบรามโนน คนจะเป็นคนเลวก็ไม่จะประชาสกุลคนจะเป็นผู้ประเสริฐก็ไม่ชชจชฉัดสกุลแต่จะเป็นคนเลวเพราะการกระทําและเป็นผู้ประเสริฐเพราะการกระทําวันณนะสถานะวิชาความรู้ยศศักต์ตำแหน่งไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอะไรแต่เป็นเครื่องบ่งบอกให้บุคคลรับผิดชอบตามภาระหน้าที่เท่านั้นความดีหรือความไม่ดีอยู่ที่การกระทําของบุคคลเหล่านั้นเองคือคนพร้อมที่จะเป็นคนดีแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคนเลวนะฮะถ้าการกระทําเขาดีแล้วเขาเลว สมวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงคนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบุตรในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกกันทุกท่านเธอ